ไปตามกระแสพระผู้ทรงปัญญาท่านหนึ่งที่อาตมารู้จักมาหลายปีกำลังเดินทุดงกับเพื่อนเก่าของท่านในป่าที่ออสเตรเลียตอนบ่ายแก่ๆที่แสนจะอบอ้าวันหนึ่งท่านเดินไปถึงชายหาดที่สวยงามยาวเหยียดและโดดเดี่ยวทางไกล แม้มันจะเป็นการฝืนข้อวัดของพระที่จะว่ายน้ำเพื่อความสนุกสนานน้ำทะเลสีฟ้าช่างดึงดูดใจนะักและท่านจำเป็นจะต้องคลายร้อนจากการเดินทางไกลนั้นท่านจึงลงว่ายน้ำเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นฆรวาสตอนหนุ่มๆท่านว่ายน้ำแข็งมาก แต่บัดนี้เมื่อได้บวชเป็นพระมานาำครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ว่ายน้ำก็เมื่อหลายปีมาแล้วดังนั้นหลังจากการโต้คลื่นเพียงสองสามนาทีท่านก็ถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำที่เริ่มพัดพาท่านออกสู่ท้องทะเลด้านนอกมีคนบอกท่านภายหลังว่าหาดนี้ อันตรายยิ่งนักเพราะกระแสน้ำดุร้ายมากในตอนแรกท่านพยายามจะว่ายทวนกระแสน้ำในไม่ชา้าท่านก็พบว่าแรงของกระแสน้ำเชี่ยวเกินกำลังของท่านมากการปฏิบัติของท่านช่วยท่านได้ในเวลานั้น ท่านผ่อนคลายปล่อยวางและปล่อยกายไปตามกระแสน้ำมันเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากที่จะสามารถผ่อนคลายได้ในสถานการณ์เช่นนั้น เมื่อท่านเห็นแนวฝั่งอยู่ไกลออกไปไกลออกไปท่านถูกพัดออกไปห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกว่ากระแสน้ำจะอ่อนแรงลงเมื่อนั้นท่านจึงได้เริ่มไว้พ้นจากกระแสน้ำและกลับเข้าฝั่งท่านบอกอาตมาว่า การไหว้กลับเข้าฝั่งนั้นท่านต้องใช้พลังงานที่สะสมไว้จนหยาดหยดสุดท้ายเลยทีเดียวเมื่อถึงฝั่งท่านก็หมดกำลังอย่างสิ้นเชิงท่านแน่ใจว่าถ้าท่านได้พยายามฝืนสู้กระแสน้ำมันต้องชนะท่านอย่างแน่นอนท่านคงต้องถูกพัดไกลออกไปสู่ทะเลด้านนอกเช่นกัน ก็คงหมดเรียวหมดแรงจนไม่สามารถไหวกลับเข้าฝั่งได้ถ้าท่านไม่ได้ปล่อยวางและลอยไปตามกระแสท่านเชื่อว่าท่านต้องจมน้ำอย่างแน่นอนเรื่องเล่านี้พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า เมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้ทำเมื่อนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ใช่ทฤษฎีเพ้อฝันในทางตรงข้ามมันอาจจะเป็นสุภาษิตเพื่อการรักษาชีวิตเมื่อใดก็ตามที่กระแสมีกำลังรุนแรงเกินกำลังของเรามากนักเมื่อนั้นเป็นเวลาที่เราต้องไปตามกระแส เมื่อใดที่เราสามารถทำสิ่งใดให้เกิดผลเมื่อนั้นเป็นเวลาที่เราจะผลักดันความพยายามของเรา